เทพโอปรมในวันที่7พฤศจิกายนพศ2569ณวัดป่าบันตา จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสมปนโนคำว่านิพพานแม่จะเป็นคำพูดหรือหลักธรรมที่ บรรดาผู้ในเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเคยท่องบทนักพูดกันมาจนขินหูกว่าตา่างแตู่้วยจิตจะอดข้องใจสงสัยไม่นาในบรรดาท่านนักศึกษาและนักพูดทั่วไป เนื่องจากคำว่านิพพานซึ่งเรานำออกมาพูดนี้กับธรรมชาติที่เป็นนิพพานจริงๆนั้นแง่จะพูดออกมาจากใจของผู้ที่จำ่ายก็จริง จะรู้สึกว่าจะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเมื่อเป็นเท่นั้นไม่ว่านักศึกษาไม่ว่านักปฏิบัติถ้ายังไม่ยังไม่ปรากฏความที่สงสัยภายในจิตใจของตนเองเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวง ดูปราบได้แล้วคําที่ว่านิพพานซึ่งเป็นธรรมาชาติอันหมดความเกี่ยวข้องนั้นจะยังไม่แก่ยมแย้งภายจิตใจของแต่ละรายละลายไปตราบนั้นที่พระพุทธเจ้ า, าทรงทอพระทัยในเวลาตรัดรลูใหม่ๆ กวเนื่องโดยเหตุนี้เองแม่จะทรงปรารถนาเพื่อจะสั่งสอนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานก็าตามแต่ความปรารถนาของพระพุทธเจ้านั่นคือความมุ่งหวังนั่นหนึ่งและความคาดหมายแห่งความเป็นาศาสนาของโลกนั้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ในพระไทยเหมือนกันในเวลาที่ทำความปรารถนาอยู่พอความปรารถนาได้บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วความรู้สึกของพระองค์ในขณะที่ได้บรรลุ ความบริสุทธิ์เต็มที่กับความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นปรากฏว่าห่างไกลกันมากเนื่องจากความปรารถนาของพระโพธิเจ้านั้นปรารถนาในเวลาที่มีสมมุติทั้งส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกับคนสามัญทั่วๆไปแต่ความบริสุทธิ์ที่ได้ทรงมัน ในเวลาบำเพ็ญให้ถึงที่แล้วนั้นมีความแตกต่าง ก, กันกับความเป็นมาดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไม่น้อยพูดง่ายๆก็คือว่าธรรมชาติที่เห็นและรู้อยู่ในขณะนี้ กับความรู้ที่เป็นมาโดยลําดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะความรู้ตามธรรมดาของสามัญชนทั่วไปจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสมมุติโดยเกี่ยวกับการทั้งปวงและตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนตลอดความหลับก็ยังมีสมมุติแสงอยู่กับใจเป็นประจำ จิตมีความรู้มีความเป็นอยู่มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติตลอดเวลาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวโดวยลําพังตนเองได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพอถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วเอาความรู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายนั้นมาเทียบเคียงกันกับความรู้ที่เป็น ดูโดยหลักธรรมชาติองคตนซึ่งถึงซึ่งความเพียงพอกับสมมุติทั้งหลายแล้วนั้นจึงเป็นเหตุให้ทรงท้อพระไทยเนื่องจากว่าความรู้ที่เป็นอยู่ในบัตรนี้กับความรู้ที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมมันผิดกันคนละโลกแม้ท่านจะอยู่กับโลกทั่วๆเป็นท่านเป็น ธาตุเป็นขันหรืออยู่กับโลกทั่วๆไปและเหมือนโลกทั่วๆไปในส่วนแห่งสมมุติคือธาตุขันก็ตา่างแต่ธรรมชาติของจิตที่เคยเป็นสมมติมานั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นย ม, มตุตขึ้นมาแล้วจึงผิดกับโลกทั่วๆไปถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดแล้วก็สุดสมมุติ ที่จะว่าละเอียดต่อไปอย่างละอีกไม่ได้คำสมมุติยังมีละเอียดอยู่ธรรมชาตินั้นเลยความละเอียดของสมมุติทั่วๆไปในทรงทราบเฉพาะ พ, พระองค์ผู้เดียวแม้จะอยู่ในกับโลกทั่วๆไปไม่มีจิตของผู้ใดจะเป็นจิตเหมือนอย่างจิตของเราเวลานี้ ความรู้ของใครจะไม่เป็นเหมือนอย่างความรู้ของเราที่เป็นอยู่ในบัตรนบัตรนี้เพราะความรู้ที่เป็นอยู่นบัตรนี้เป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่ต้องไปเกี่ยวกับสมมุติอันใดให้เป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องเกี่ยวข้องเป็นเครื่องยึดถือเป็นที่อาศัยเหมือนอย่างที่เคยเป็น ถ้าพูดถึงเรื่องว่าที่อยู่ก็เป็นที่อยู่อันสมบูรณ์กับความมรรสุนั่นแล้วถ้าว่าอาศัยก็ก็เป็นธรรมที่อาศัยอันสมบูรณ์อยู่แล้วอาจจะพูดถึงความเกี่ยวข้องก็เป็นความเกี่ยวข้องที่สมบูรณ์แต่ไม่มีความติดพันกับคําที่ว่าเกี่ยวข้องมีมีความผิดแตลกกันมากอย่างนี้นแทนนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิด ข้อข้องใจสงสัยแก่นนักศึกษาและนักปฏิบัติทั่วๆไปไม่น้อยในคำที่ว่านี้ผ่านแม้จะเรียนมาจนชินจิตชินใจพูดจนชินปากแต่จะละความสงสัยนั้นละไม่ได้หากไม่ได้เห็นธรรมชาตินั้นเสียอย่างเต็มใจเหมือนดั่งพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีการปราบไปจากความสงสัยนั้นเล นอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุให้คิดไปได้ว่าคาว่านิพานนี้เป็นเหมือนกับภูเขาทั้งลูกมีความหนักเทียบกับภูเขาลูกหนึ่งกำลังของเร า, เราท่านๆก็ขนาดกำลังของเราเพียงเท่า น, นี้ไม่มีใครจะสามารถยกภูเขาทั้งลูกขึ้นได้ด้วยกาลังของตอนเอง จึเงเป็นเหตุให้ท้อจิตท้อใจต่อการบำเพ็ญเพื่อพระนิพพานเนื่องจากว่าตนมีกำลังน้อยก็เ ล, พล็พรอยให้พูดว่าวาสนาน้อยไปด้วยในยกให้ท่านผู้มีกำลังมากเสียแล้วไม่ทราบว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากันแค่ไหน ถ้าเราจะเทียบเหมือนหนักภูเขาทั้งลูกแล้ไม่มีใครจะสามารถยกได้นี่จึงเป็นปัญหาใหญ่โตสำหรับคำว่านิพพานแท้จริงนิพพานไม่ใช่ภูเขาก็คือความรู้ของเราดีๆนี่เองเป็นนิพพานน่าจะใจดวงนี้ ท่านนักก็ขนาดใจตรงนี้บบาก็ขนาดใจที่รู้รู้อยู่กันนะดูกันอยู่หนบัดนี้เป็นแต่เพียงว่าความรู้ที่เป็นอยู่หนบัดนี้มีความซึมซาบหรือเกี่ยวข้องกับสมมุติทั่วๆไปอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่แยกตัวเองจากสมมุติทั้งหลายได้เหมือนอย่างใจที่บริสุดจะคิดอะไรก็ต้องเกี่ยวกับสมมุติอยู่นั่นเองรู้อะไรก็ต้องรู้เกี่ยวกับสมมุติ ถือสมมุติเป็นอารมณ์แต่เป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องอดีตอนาคตเรื่องดีเรื่องชั่วมันเกี่ยวกับสมมุติทั้งนั้นจึงถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่หลับนอนก็ได้เป็นประจำแต่จิตของท่านผู้บริบสุทธิ์แม้จะคิดเกี่ยวกับเรื่องสมมุติ มันก็เป็นคนลับประเภทเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านบ้านกับเราเราก็ทราบว่าต่างกันอยู่แล้วเส้นบัตรนี้เรานั่งอยู่บนสลาฉลากับเราเป็นอันเดียวกันอยู่ไม่นี่เราไม่ต้องถามใครเราก็ทราบว่าฉลาเป็นเป็นอย่างหนึ่งเราพูดนั่งบนฉลาเป็นคนหนึ่งต่างหากจากฉลาลกักษณะของกิจที่แยกสมมติออกได้โดยประการทั้งปวงแล้วแม้จะเกี่ยวกับวัตถุอารมณ์อันใดก็ตาม ย่อมเป็นคนลับประเภทอยู่อย่างนั้นเสมอไปไม่มีการซึมราบกันได้แม้แต่ขณะเดียวเมื่อย่อนเข้ามาสู่ความรู้โดยเฉพาะโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอารมณ์อะไรความรู้อ น, นั้นก็เป็นสิ่งที่พอตัว ที่จะไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมาเพื่อแสงเพื่อให้เป็นความสุขความสบายความเลืน่นลื่นมันถึงยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่ในบัตรนี้ซึ่งสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเราซึ่งเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติตรดอยาเห็นมรุผนนิพพานนั้นเป็นเหมือนภูเขา จะเป็นเหตุให้เราเกิดความท้ อ, อกิจท้อใจตำหนิตนมาอำนาจวาสนาน้อยไม่มีกำลังที่จะหอบพิ่หรือหยิบยกมรรควนิพพานนั่นขึ้นมาเป็นสังหัดของตัวได้สิ่งที่ปิดบังธรรมชาตินั่นก็คือสิ่งที่เป็นนิสัยของเราทุกๆวันนี้ ขวันขวาอยู่โดยไม่รู้สึกตัวอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคิดเคยุง เ, เคยอ่านถ้าแยกจากหลักธรรมไปแล้วมันก็เป็นโลกนั้นเอนโลกนั่นแหละท่านว่าเป็นเครื่องกรบธรรมชาติที่อัศจรรย์นม่ไว้ กบแล้วกลบเปล่ากันอยู่นั้นหนาไม่รู้กี่ชั้นกี่ประเภทเ่ยเรายังหามากบเราได้มันก็ไม่เห็นหนักเหมือนภูเหือนูเขาแต่ความทุกข์ที่มันเป็นขึ้นภายในใจเพราะอารมณ์ที่เป็นข้าสศกมาราังวานหรือกวนใจนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูก แต่เราก็ไม่ทราบว่ามันหนักถ้าเศร้ารมันหนักแล้วใครใครเลยจะแต่ยอมให้ทุกข์มาแตะต้องภ า, ายในจิตใจและใครจะยอมสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโกรธใครก็ไม่จําเป็นจะต้องโกรธเพราะทราบแล้วว่าโกรธคือความทุกข์ในสุดความรื่นเริงบันเทิงก็เป็นทําความกระเพื่อมแก่ความปกติของจิต ความเศร้าโสกความรื่นเริงมันถึงความสุขความทุกข์ที่ไปเป็นไปในแถวของสมมติทั้งหมดเป็นเรื่องที่จะก่อความกำเริบของจิตไม่ให้ทรงตัวอยู่ได้โดยปกติของตนทั้งนั้นเะนั้นจิตที่ที่ถึงความเป็นนิพพานแนวจึงไม่มีอันไรที่จะสามารถไปเขย่า ให้มีความกบเพิ่มขึ้นมาแล้วเอยดยางไปกับสิ่งทั้งหลายดังที่เคยเป็นมาได้กิจ ท, ที่อยู่ในขันแต่ถึงความไม่สุดแล้วเชนนี้ท่านเรียกว่าสอุปาทิเสากนีตักเราจะแปลว่าดับกิเลสในต้องทั้ท ง, ทงที่มีเด่นตะขันดีก็ได้ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนั้น หรือจะแปลว่าเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วแม้จะอยู่ในวงสมมุติคือธาตุขันธ์ต่ง า, งางๆธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมุติอันใดที่เกี่ยวแม้ส่วนร่างกายจะเข้าไปทำความวรบกวนให้สิ่งนั้นกําเริบขึ้นมาได้ คําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงจุดนี้เลยจากจุดนี้ไปแล้วไม่มีพระอวาทบทใดที่จะสอนให้โลยยิ่งกว่านี้ไแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็เพื่อจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายมีได้ากาวถึงหนึ่ง ความสงสัยในคำว่านิพพานจะไม่มีใครปราศจากไดกต้องสงสัยเสมอแง่แต่สิ่งที่เคยเป็นเคยมีเคยปรากฏอยู่กับตัวก็ยังสงสัยเรื่องการเกิดการตายยังถลํมเข้าไปถึง ตายแล้วสูญกันไปที่เดวความชิดของเราหลักตัวประธานที่จำให้เกิดให้ตายไม่มีอะไรจะเกิดจะตายหรอกถ้าได้มองข้ามหลักซึ่งเป็นตัวประธานนี้ไปแล้วจะไม่มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึกเหนียวเป็นที่ยับยัง้ง พระพุทธเจ้าท่านรู้โลกได้โดยตลอดทั่วถึง mm hmm. ก้อเนื่องจากการรู้ตัวประธานคือจิตซึ่งเป็นหลักแห่งความเกิดความตายอันนี้เป็นหลักของมัตะตะจะไม่มีสิ่งใดที่วกเวียนไปมา ถ้าไม่ใช่จิตตัวนี้พาให้เป็นไปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาถ้าไม่มีจิตตัวนี้เข้าไปสวมแล้วจะกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างเราท่านานีน่ไม่ได้หลักนี่แหละอันเป็นหลักใหญ่แต่ถ้ามองอถ้ามองข้ามหลักธรรมะไปก็คือมองข้ามใจตรงนี้เอง หลักธรรมะท่านพูดถึงเนื่องการตายการเกิดการตายท่านไม่พูดถึงเนื่องอื่นสตาตจันนี้พูดถึงเรื่องการเกิดการตายเท่านั้นที่เรียกว่าชาจิธรรมไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่คือของจริงเกิดจึงเป็นของจริงการตายก็เป็นของจริงเราต้องพิจารณาสาเหตุที่จะนให้เกิดคืออะ นั่นก็เป็นของจญิงอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมุทัยนั่นสาเหตุที่จะให้เกิดเชื่ออันจะให้เกิดไม่มีเชื่อจะเกิดไม่ได้จิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของปุถุชนเรียกว่าจิตเหมือนกันแต่จิตอันหนึ่งมีเชื่อจิตอันหนึ่งไม่มีเหมือนน้ำว่าข้าวสุกกับข้าวสารข้าวเปลือกเรียกว่าข้าวเหมือนกันแต่ข้าวทั้งสามประเภทนี้ มีความแตกต่างกันทั้งรสชาติทั้งก ต, ติที่จะเป็นไปของของข้าวทั้งสามประเทศนี้ข้าวเปลือกเป็นสิ่งที่แน่นอนมากว่าหวานลงไปที่ไหนจะต้องเกิดถั่เชือกคือย่างในของเขายังมีอยู่ซึ่งสมควรจะให้เกิดได้ข้าวสารก็ยังไม่แน่ใจ ทั้งสองนี้รสชาติจะยังใช้ประโยชน์อะไรไม่น่าแต่เข้าสุกนั่นแน่เหลือเกินที่จะไม่ต้องเกิดีทั้งรสชาติก็มีคุณภาพเยี่ยมเป็นที่รับรองกันทั่วโลกนี่จิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตเกี่ยว ก, กับข้าสุก ทตของพวกเราทั้งหลายเหมือนเทียบึงเข้าเปลือกข้าสารภูมิธรรมะันสูงขึ้นไปกว่าเป็นข้าสารเพราะใกล้ต่อความเป็นข้าสุขใกล้ต่อจะทำประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์การกล่าวทำทั้งหมดนี้ตัวได้มองลงดูที่จิต ซึ่งรับรู้อยู่ในขณะ น, นี้ผู้นี้แหละเป็นผู้มีแสดงอาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะต้องเดินทางไปตามสายสัจว์ที่ประกาศตัวอยู่นี่และแต่ไม่ทราบว่าสัจวจ์เป็นอย่างไรเท่านั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวสมุทรไทยโดยไม่รู้สึกตัวและมันตัวทําให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดสายไม่งมีเวลาจบสิ้นลหงไหด้เหมือนกันกับ มดมันตายขอบดงนั่นแหละตายไปตายมามานู้กี่ครั้งกี่ผลมันก็ไม่ทราบทางออกว่าจะออกทางไหนไต่วกไปเย็นมาอย่างนาี้วัตถุนของจิตที่หมุนให้เกิดให้ตายตามภพชาตินั่นัน้นโดยไม่ไดกมีกฎเกณฑ์ว่าจะเป็นภพชาติมนุษย์ตลอดไปหรือว่าเป็นภพชาติของสัตว์ตลอดไป มีสับปนกันไปเรื่อยตามแต่มหนาแห่งกรรมที่จิตได้สร้างขึ้นมาไว้เพื่อตัวเองพาให้มีมากหรือน้อยตามฝ่ายดีหรือชั่วนั่นแนเป็นสิ่งกรับดันให้ไปเป็นต่างๆทางกล่าวไว้ว่ากรรมังสตัตตมิพัชเติย่อรีดังจีนับปนิตา กรรมนั้นแลเป็นเครื่องจำแนแกแจกจัดให้เป็นต่างๆกันนะไม่มีอะไรจะมีอำนาจวาสนายิ่งกว่ากรรมที่ตนสร้างขึ้นสาหรับตนเทีย จ, จำแนแกแจกตัวเองให้เป็นไปต่างๆในภพในชาติให้สุขให้ทุกข์ในภพนั้นๆมีเพียงเทรมนี้ไม่มีอินพรมยมยักษ์ที่ไหนจะยำนนกนาจ๊ะ เนี่เราจะคอยให้ใครเป็นผู้มาบันดลบันดาลให้ความสิดความเจริญใจเราถ้าเราคอยอย่างนั้นก็แสดงว่าเราคิดในแง่ที่ผิดแล้วิดจากหลักความจรินคือหลักกรรมได้แก่การการสร้างตัวเองหรือการทำลายสังหารตัวเองถากรมชั่วก็เป็นการทำลายเร็นการสังหารตัวเองโดยเจ้าตัวไม่หร ει. ากดีก็เป็นการส่งเสริมตัวเองมีอยู่สองประเภทเทา่านี้ออกจากคำว่าถุทำอันเดียวกันนี่แหละที่จะเป็นเครื่องส่งส่งเสริมหรือทำลายตัวของเราเีเท่านี้ การปฏิบัติธรรมต้องมองดูใจดูความเพื่อนไหลของเรามีชื่อว่าเป็นผู้สังเกตตัวเองจะรู้ทั้งทางผิดและถูกหากใช้ความสังเกตอยู่เช่นนี้และชื่อว่าเป็นผู้ไม่มองข้ามตนเห็นเขาดีก็เพลินไปตามเขาแต่ไม่ทราบว่าเขาดีเพราะเหตุใดเห็นเขาชั่วถ้าเราไม่ชั่วก็เกลียดเขาแต่ไม่ทราบว่าเขาชั่วเพราะเหตุใดและจะนาความชั่วมาพิจารณาตัวเอง เพื่อให้ดบบีบตีกันห่างไกลได้โดยวิธีอะไรผลที่จุดการเกลียดเขามันกระชั่วในรู้จิตเราก็ส่งสมชั่วขึ้นมาทายในตัวข้างในเขาไจะมาทําอะไรให้เราเราก็ไปเกลียดเขาแล้วสร้างความชั่วขึ้นมาในตัวข้นงในนี่แหละท่านเรียกว่าสร้างกรรมธรรมกรรมไม่ได้หมายถึง่อว่าจะต้องไปทําด้วยกายทุกจริงทุกอย่างสร้างด้วยใจก็สร้างได้เพราะใจเป็นหลัอย่างคิดด้วยใจท่านก็เรียกว่ากรรม คิดดีก็เป็นกุศลกรรมคิดเชื่อเขาเป็นอกุศลกรรมทำทางกายก็ทาดีก็เป็นกุศลทําชั่วก็าเป็นอกุศลพูดทางวาจาก็เช่นเดียวกันบ่ อ, บอแห่งการสร้างกรรมมีอยู่สามคือทำด้วยใจคิดด้วยใจพูดด้วยวาจากระทำด้วยกายนี่แหละบอ่อส่งเสริมกับบอ่อทาทำลายหรือสังหาร มีธรรมหลักกรรมนี้เป็นหลักใหญ่สําหรับศาสนาการสอนศาสนาถ้าไม่สอนลงในหลักกรรมนี้ไม่ถูกกับปิดของผู้ทําผิดทําถูกของผู้รับความสุขความทุกข์ของคนที่ดีที่ชั่วเพราะดีชั่วสุกทุกเกิดขึ้นจากความประพฤติทางนั้นความประพฤติท่านเรียกว่ากรรมกรรมกับบุคคลจะแยกจากกันไม่ได้ เมื่อเป็นเชนั้นแล้วาศาสนากับคนจะแยกกันได้อย่างไรถึงจะตำหนิาศาสนาก็คือตำหนิตัวเองนั่นแหละคนนั้นไม่ทราบาศาสน า, สาศาสนากับเราเป็นอันเดียวกันเพราะสอนลงที่เราการกระทําก็คือตัวของเรากระทาดีทั่วเรือของาศาสนาสอนทั้งหมดออกมาจากที่ไหนสอนได้เท่านั้น ตรวได้พี่แจนนะิดงที่รวทรู้ๆอย่านีเคยพาไปไหนมาไหนมั่งนี่แหละคือนักท่องเทีย่ยวตรวได้ทราบถ้าคกงก ร, รมคือความหมุนตัวเอ็นนี่ไม่ได้ตราบใดธรรมชาตินี้จะเป็นโคงจักหมุนตัวเอ็นอยู่ตลอดเวลา จะเกิดในภพบั้นชาตินี้และทำทุกความลำบากในที่นั้นจะไม่มีใครเป็นผู้ไปรับเป็นผู้ไปเป็นเช่นนั้นนอกจากจิจแต่และดวงละดวงซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ไปแสดงตัวและไปดงเงนินตามทางสายของมัตตะ การเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าธรรมะเป็นเรื่องของทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะรุ่นเริงบันถึงดุขัางนาถิอาชาตัสสะนี่ตัดบทกันตงนี้ทุกยามไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด น, นี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ทาไม่เกิดลี่จะอะไรเป็นตึ๊กในหลักธรรมของพระพุทเจ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าได้สูญไปไม่เกิดเอา เ, าเฉยๆนี่ได้ความบริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นั่นแลคือผู้มีอยู่นไม่ได้สูญเวลาไม่บริสุทธิ์มันก็มีความไม่บริสุทธิ์ เป็นสมบัติของใจเวลาบริสุทิ์แล้วก็คือความหยุดนั่นแหละเป็นสมบัติของใจน่จะเอะไรไปสูญคําว่านิพพานังปรามังสูนอย่างพระนิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งนั้นหมายถึงศูนย์จากสมมติโดยประการทั้งปวงเป็นคนละโลกถ้าพูดถึงดงโลกกับสมมติทั้งหลายเพราะพระนิพพานไม่ใช่ส ม, มุติ ทันกาย้ำน้นอวิมุตตคือกลับกันยังมีชีวิตอยู่ก็ทราบว่าตนบริสุดเหมือนอย่างพระ พ, พุทธเจ้าตายแล้วจะเอาอะไรไปสูนหากว่าจะสูนก็เริ่มเริ่มสูนในขณะที่ตัดสะลุพอตัดสรุแล้วพับไม่มีอะไรรับทราบว่าตัวบริสุด ให้มีอะไรรับทราบว่าเป็นอย่างไรต่อไปอีกนั่นคือความศูนย์แต่นี้พอตัดสู้แล้วก็ได้ทราบในขณะนั้นว่าไม่ตัดสู้แล้วบริสุดแล้ว ใ, ใครผู้ที่ทราบว่าตนบริสุทธิ์ผู้นั้นเอาความศูนย์มาจากที่ไหนไม่มีศูนย์ถ้าศูนย์จะรู้ได้ไหนว่าตนบรสุทธิ์ประกาศสั่งสอนสัตว์นับ พอประมาณก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ออกจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์และไม่สูญนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ธรรมะที่สูญและไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สูญเนื่องจากผู้บริสุธิ์ไม่ใช่ผู้สูญจะเอาอะไรเข้ามาแย้งพระพุทธเจ้าว่ามาแย่งธรรมะพระพุทธเจ้าวิกิตของพาาระอรหันต์ท่านว่าสูญไม่มีอะไรจะแย่งได้ ภูมิไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ศูญนี่แต่ว่าไงไปตามสภาพแห่งความไม่สูญของตนนั้นเนี่ยก่อภมนั่นก่อชาตินี่ทิ้งอันนี้คว้าเอานั่นทิ้งภพนั้นคว้าเอาภพนี้ทิ้งชาตินี้คว้าเชาตินั้นอยู่นี่บกเย็นเปลี่ยนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีอะไรศูญตัวจิตเองเป็นพื้นฐานเป็นตัวประทานถ้าให้ไป สวมร่างนั้นร่างนี้กาเอาร่างนั้นร่างนี้เข้ามาเป็นสมบัติทังตัวได้ชั่วงระยะเวลก็สลายตัวไปสิ่งที่สลายลงไปนั่นก็ไม่สูญเพราะเป็นดินน้ําำลงไปจะเอาความสูงมาจากที่ไหนถ้าหากดินน้ํำลงไปเป็นของศูญแล้วโลกจะอยู่กับอะไรได้หรอถ้าโลกเวลานี้อยู่กับดินน้ำลงไปด้วยกันทั้งแผ่นดินนี่หากว่าสิ่งเหล่านี้สูญไปเสียโลกจะเอาอะไรเป็นโลกไม่มีนั่น จิตก็จะสูญไปเสียอะไรจะไปเข้าสู่ภพถู่ชาติให้เป็นภาคสี่ดินน้ำลมไฟขึ้นมาจนปรากฏเป็นสัตเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายดังที่เราเห็นกันดูตลอดเวลานี้ไม่เคยหาสูญไปจากโลกส่วนประกอบก็ไม่สูญธรรมชาติซึ่งเป็นตัวการก็ไม่สูญคือจิตดวงนี้ไม่สูญเมื่อหมดส่วนประกอบแล้ว อะไรจะเอาความจะสูนมาจากไหโมดส่วนประกอบแล้วกับบริสุทธ์เท่านั้นพอบริสุดจะว่าศูนได้ยังไงศูนแล้วใครจะรู้ว่าบริสุทธ์น่ะบริสุดก็รู้เต็มใจว่าบริสุทธ์อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่เต็มใจว่าบริสุทธ์รับรองตัวเองอยู่ด้วยความรู้และจะ อ, อะไรมา แทรกเข้าไปว่าศูนย์ได้ไม่มีแอนติบอดีนี่พานังปรามังทุนอย่างก็ศูนย์จากสมมติทางหรือสมมุติศูนย์ไปจากปิดใจอยู่ตามเรื่องของเขาใจที่มีความรู้สึกเป็นสมบัติก็เป็นอยู่กับความรู้สึกรู้อยู่ด้วยความรู้สึก เมื่อถอดคันอันนี้เป็นปรตามสภาพของเขาคือการแตกสลายที่มีอยู่ประจําตัวก็สลายจากนี้ลงไปธรรมชาติเบริสุดนั่นจะแปรสภาพไปที่ไหนอีกท่านก็บอกแล้วว่าทำอันนี้คือทําไม่แตะไม่แปรเรียกว่าอากุปปธรรมไม่มีความกําเนิดเป็นอื่นแล้วจะ ก, กําเนิดไปทางดีใจเสียใจในเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็กําเนิดไม่ได้จะ ก, กําเนิดไปทำความซ้อมมองปองใสอะไรอีกให้เลยจากธรรมชาตินั้นก็เป็นตลอดเลย ลาขันตรงนี้ไปแล้วจะไปเอาตัวกําลังมาทางไหนทางนั้นจะเอาเบริสุดได้ยังไงจะเรียกว่าคงที่ได้ไหมแล้วจะเรียกว่าอากุปะทําได้ยังไงถ้ายังจะกรรําเริ่มอยู่การหน้าการหลังทางนั้นก็เป็นกาลิโกแล้วคือจะเรียกว่าอากาลิโกได้ไหมความเบอรสุดนี้เป็นอาการิโกตามหลักธรรมชาติไม่มีการไม่มีเว่าเป็นธรรมชาติคือเบอร์สุดพอจุ่ยนั่นนะ แตไม่ตั้งโดยอยู่เหมือนอย่างสมมติเพราธรรมชาตินี่ไม่ใช่สมมตินี่จะเรียกว่าอะไรคือวันนี้พานกว่านี้เองแต่ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคําที่เราเคยคล้องใจสงสัยมาเท่าไหร่นั้นจะปลดเปื้องไปได้ด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมสุวขารธรรมก็คือวนัตตา์มาแล้วด้วยความสิ้นสงสัยไม่มีความสงสัยในพระไตรที่จะจัดทำออกมาแต่ละบทละบาทเพื่อสัตว์โลกเป็นพระวาจาที่จัดออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรที่จะนี้ลับไม่มีอะไรที่จะแฝงด้วยความปิดกั้นไม่มีนอกจากเป็น ทำที่ชอบแล้วทำไม่มีอย่างอื่นแล้วเป็นธรรมที่ทรงคุณภาพไม่เลยวะนิยานีิกระทั่อย่างไรต้องนําผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นขั้นขั้ น, นตามแต่กําลังความสามารถของผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นได้เค่ไหน ม, มีเท่านไม่เป็นอย่าง่ อะไรบ้างเวลานี่มีคุณค่าอยู่ภายในตัวของเราร่างกายทุกส่วนก็มีคุณค่าถ้าทําให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าทําให้เป็นโทษไม่มีอะไรจะร้ายยิ่งกว่าร่างกายนี้ที่เรียกนักโทษคนตะลังในเรือนจําเขื่อนอยู่นั้นก็คือร่างกายนี้ซึ่งหมดความหมายเป็นผู้ร้ความหมายนีย้ไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีใครสนใจก็คือนักโทษก็ได้แก่บุคคลเหมือนกันนี้ จะทําให้ดียิ่งกว่านี้เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ที่เป็นที่นับถือของปองชมก็คือร่างกายนี้จะทําให้ได้สาระประโยชน์ก็คือร่างกายทําให้มีคุณค่ายิ่งก็คือร่างกายเป็นเครื่องมือสําคัญออกมาจากดวงใจที่มีคุณค่าอันยิ่งเหือนกัถ้าทําให้มีคุณค่าท่าเนเรียกมโนปุพังคมาธรรมาหมายถึงใจ เป็นหัวหน้าจึงอนี้เป็นแ เ, เป็นเหมือนก็นว่าลูกลูกขุนตอนนั้นเชื่อถือไหนก็ไปเชื่อต่ทางดีทางชั่วอะไรไปเป็นประดับหมดเพราะเป็นเครื่องนึ่ขึ้นในกับใจผู้กลางกลางเวลาอนี้เราสงสัยอะไรไมเกก็เกิดมาอย่างเต็มหูเต็มตาเต็มใจรู้ ก, กันทุกคน แกก็แกมารอบด้านรอบตัวเห็นกันทุกคนทั้งข้างบนข้างล่า ง, งข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังแตกจะด้่อกันหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ควรตกเป้นภายในร่างของเราให้เราสงสัยอะไรบางตัวเรื่องความทุกข์อวัยวะส่วนไหนมนานแสดงอาการเป็นทุกข์พอที่จะเต็อนที่อาศัยไว้ใจได้ เราตสส้องใช้อะไรเนี่ยโลกโลกเกิดโลกเกิดขึ้นคือโลกของเรานี่ะดูโลกที่เกิดที่ทุกที่ทรมา น, นให้เห็นชัดภายในตัวของเราแล้เราจะไม่สงสัยกับโลกอะไรอีกแล้วและไม่สงสัยกับใครในโลกนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันชื่อว่ามีท่ามีขันเช่นเดียวกันแล้จะไม่มีความแปรปรวนหรือไม่มีความทุกข์ทรมากเช่นอย่างโลกกงคือท่าขันของเราเตรียมตรองให้ดี มีละเราเบิกจอกเบิกแหนะออกจากน้ําที่บริสายบริสุทธิ์อยู่ภายในให้มันเห็นน้ําที่ใสบริสุทธิ์แล้วได้ตักอาบตักดื่มอย่างเต็มจิตเต็มใจใช้สอยอย่างสะดวกสบายการพิจารณานี้เป็นเหมือนกับเบิกจอกเบิกแหนะออกอารมณ์ทั้งหมดทั้งเรียกเลยเขียบเหมือนกับว่าจอกแหน กิจนั้ น, นเทียบเหมือนกับน้ําริยาที่เวิกออกนั้นคือปฏิปทาเครื่อทำหนึน่โดยอุบายต่างๆของผู้บําเพ็ญเบิกออกมานล้วเล็กและน้อยเบิกออกไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยหมดไปเองหมดไปเองก็ปาเตจกัดปวดถึงนน้ใาใสๆจะคนดื่มได้ยังไงเดิมแล้วจะไม่รู้ลด ร, รูชาไหนต้องรู้นี่ พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้นิพพานตั้งแต่บังเกิดมาเห็นได้พอได้รู้ได้ดื่มทําไมจึงเป็นคนแปลกจากโลกามากมายแล้วใครก็กล่าวไหว้ทั้งสามภพนี้ไม่มีใครจะอวดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปนอกจากคนตาบอดฉนั้นจะไม่กลัวอะไรต้นไม้ก็โดดหัวตอก็เป๊ะไปเลยหัวตอไม่ขาดเท้าขาดโดนต้นไม้ต้นไม้ไม่แตกหน้าผ่าแตกคนตาบอดเป็นนิสัยอย่างนั้น ไม่ค่อยกลัวนะคนที่มีทิฏฐิมานะคนที่โง่เขลาบบาปัญญาจึงเทียบเหมือนกับคนตาบอดไม่รู้จักบาปจักบุญจักคุญจักโทษไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วไมมีใครเป็นกล้าสามารถยิ่งตัวตัวถ้าเป็นคนประเภทนี้นั้นโลกให้เขาไม่ค่อยจะถาพระพุทธเจ้าไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อกรรมทั้งๆ ท, ท, ที่เขาทํากรรมอยู่ตลอดเวลาจนถึงกับเป็นคนประเภทนั่นขึ้นมาอย่างน่าสะใจเขาก็ไม่ทราบว่าเขาทํากรรมอะไรมนาะ เขากอดกรรมอยู่นอนอยู่กับกรรมตลอดเวลาไม่มีวันแบบออกมาให้พอที่จะมองเห็นได้ว่ากรรมคืออ้ายคนประเภทนี้เราไม่ต้องเอามาเป็นตําหนิแต่คนประเภทที่คอยจะสอดส่องมองหาเหตุหาผลหาดีหาชั่วต้องยอมรับหลักของกรรมต้องยอมกราบพระพุทธเจ้าัม่มีใครจะวดเก่งหรือยิงยิ่งไป จากพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนมีที่เด่นเหมือนเรากลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาเพราะปฏิบปทาที่กลาวไม่มีที่อื่นอย่างอื่นที่จะเป็นพิเศษแปลกจากทางดาเนินของพระพุทธเจ้าไปเราอย่าไปสาะแสงหาทางอื่น ว่าจะเป็นทางรักหรือทางตรงทางพิเศษทางได้เปรียบนอกจากจะพยายามเป็นช่างเท้าหลังเดินตามประโพติญาณโดยไม่มีความข้อถอยดังที่เราบังเพลินดูแล้วออดบ้างอีนบ้างไม่ตาย ทางเกิดการตายไม่เป็นที่หนักกลัวอะไรมากนะัในเบนตะขันอันนี้ยังไงก็ต้องตายกลัวก็หนี้ไม่ผลแต่ยังไงเราจะได้ทำ ง, งานามดีขึ้นจ า, จากธาจุกะขันอันนี้เท่าที่กําลังของเราจะสามารถเค่ไหนนั่นแหละเป็นที่พอใจของเราจะต้องบําเพ็ญให้เห็นคําว่า น, นิพพานซึ่งเป็นบ่อแห่งความสงสัยภายิา น, ในใจของเรามา และฝังจมอยู่มาอยู่นานฟื้นขึ้นมาปรากฏชัดทางในจิตใจหายสงสัยในคำที่ว่านโดยไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วดังที่สาวกทั้งหลายแม่ไม่เคยรู้นิพพานเป็นพูดเป็นนักศึกษาปฏิบัติสลับหลับฟังจากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพอธรรมชาติมันไม่ โอขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับการตะทุนถามพระพุทธเจ้าอยู่เลยแม้ที่จุดกําลังเดินไปจะไปทูนถามพระพุทธเจ้าในข้อข้องใจนี่ก็เคยมีประวัติเหมือนกันท่านเรียกว่าอัญญาปราพิกขุลจะไปทูนถามข้อขอะไรก็ทำต่อพระพุทธเจ้าพอเดินไปถึงตาถึงพระคันตะกุฎีนั้นท่านังพระเอกรถตก ก็เล ย, ยนดยู่ใต้ถึงทระันตกูดีขอนพระองค์น้ําที่หยดด้อยลงมาจากชายคาก็าตกลงไปที่พื้นประทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปน้ํากระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็พิจิรเทียบเขามาข้างในถึงเรื่องสังขารที่ตุงนี่เพาะเป็นธําส่วนละเอียดที่ท่านกําลังพิจารณา ร่งฐานที่ปรุงขึ้นมาเป็นจัตเป็นบุคคลเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เกิด ข, ขึ้นแย่ดับเท่านักก้นการคิดกานพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเข้ามาสัมผัสกับใจมันก็เหมือนกำลังกระทบกนันแล้วปรากฏเป็นร่องขานขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นดับแล้วก็เป็นไปอยู่จิตตามเดินเช่นเดียวกับน้ำกระทบกนันปรากฏเป็นฟองหรือเป็นต่ําขึ้นมาแล้วพอลงดับตึงไปกลายเป็นน้าตามเดิม ท่านเทียบเพียงดีแค่นี้ไม่ได้จัดสรู้เสียในที่ใต้ถึงพระกรดีของพระพุทธเจ้า อ, อกจากนั้นพอฝนหยุดท่านก็กลับไปพระกระดูกดีของตัวเองด้วยความรู้สึกว่าแม้เราจะไปทูนถามพระพุทธเจ้าท่านก็จะต้องตอบอย่างที่เราเห็นดีนี้ก็ไม่จําเป็นที่ต้องประทุลถามกลับไปกรดีของตัวเองเีอแสดงว่าฐันพิธิโกไม่มีใครจะสร้างให้ขาด ถ้าเกิดขึ้นภ า, าย ใ, ใจิตใจของแต่ละแต่ละหลายหลานี้ต้องทราชชบทัดโดยลําพังตัวเองแงู้้ที่เจ้าก็ไม่สมปรลักษณ์เพราะเป็นธรรมชาติของผู้นั้นรับรองตัวเองอยู่แล้วด้วยสันธิโกที่พระองค์เจ้าประทานไว้คําว่าสันธิโกในข้างโน้นกับสันธิโกในข้างนี้และคําว่าเกิดเจ็บเจ็บตายข้างโน้นกับข้างนี้มีอะไรแตกต่างกันไหมการล่วงมากี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องมืดกับแย้งเท่านั้น เรื่องความเกิดความตายมันเป็นลักษณะอันเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติทำทำก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันชั้นที่ดิโกจะมีความแปลกประกลาดมาจากไหนและธรรมนิพพานจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนในสมัยนู้นกับสมัยนี้จิตของคนสมัยนู้นกับจิตของคนสมัยนี้มีความแปลกต่างกันไหมไม่มีอะไรแปลกต่างกันถ้าความมีกิเลสก็เหมือนกันคนหยาบก็มีเหมือนกันคนละเอียดมีเหมือนกัน้านรูปถึงธรรมที่จักควรเรียกว่านิพพานก็ต้องเป็นนิพพานเหมือนกันไม่มีอะไรผีด เราสัตวจะทาเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติส็จธรรมปฏิบัติแบบเดียวกันความรู้จรจะให้ผิดแตกต่างกันไม่ได้เมื่อเป น, นั้นนิพพานจะมีแตกต่างกันที่ไห น, นไม่มีเอโกธรรมโมเป็นธรรมแท้เดียวเหมือนกัน น, นี่การหมดความสงสัยในคําที่ว่านิพพานจะมาหมดที่จุดนี้ไม่มีจุดอื่นเป็นที่ที่หมด ที่สิ้นสงสสยการเรียนก็เป็นอุปกรณ์เพื่อจะมารู้ความจริงอันนี้ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความรู้ากฏขึ้นจากทางด้านปฏิบัติกลายเป็ น, นสันติโกทรงตัวได้รู้ได้ภายในตัวเองถึงความพอตัวได้ด้วยหลักปฏิบัติทยย่านโปดท่้พยายามที่จะมา ตรงประมวลความรู้ทั้งหมดธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนในคังภี้นมาอยู่กับตัวเราคนเดียวความรู้จริงเห็นจริงจะเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติตามหลักสัวขาตธรรมนี้แน่นอนจึงขอยุติเถียงทน